U, name, ว่าด้วยการละข้อความในระหว่างกติปุชชาวาระวาระว่าด้วยการถามว่ามีเท่าไรถามอาบัตมีเท่าไรกองอาบัตมีเท่าไรวินีตะวัตถุมีเท่าไรความไม่เคารพมีเท่าไรความเคารพมีเท่าไรวินีตะวัตถุมีเท่าไรวิบัตมีเท่าไรสมุทฐานแห่งอาบัตมีเท่าไร โมลแห่งวิวาทมีเท่าไหร่มูลแห่งการโจดมีเท่าไหร่สารานิยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันมีเท่าไหร่สังคเพทเรื่องทําความแตกร้าวมีเท่าไร่อธิกรมีเท่าไหร่สมถะมีเท่าไรตอบอาบัตมีหกองอาบัตมีหวินีตะวัตถุมีหอาบัตมีเจกองอาบัตมีเจวินีตะวัตถุมีเจ็ ความไม่เคารพมีหกความเคารพมีหกวินีตะวัตถุมีหกวิบัตมีสี่สมุทฐานแห่งอาบัตมีหกูลแห่งวิวาทมีหกูลแห่งการโจดมีหกสารานิยธรรมมีหสังคเพทมีสิบแปดอธิกรมีสสมถะมีเจ็ดอาบัตห้าในหัวข้อเหล่านั้นอาบัตห้าเป็นชน คือ 1. อาบัติปาราชิก 2. อาบัติสังฆาธิเศษสาอาบัติปาจิตตีสี 4. อาบัติปาติเทสนิยะ5อาบัติทุกกฏนี้คืออาบัติ5อย่างกองอาบัติหในหัวข้อเหล่านั้นกองอาบัติ5เป็นชนคือ 1. กองอาบัติปาราชิก2กองอาบัติสังฆาธิเศษสากองอาบัติปาจิตตี 4กองอาบัตปาติเทสนิยะหกองอาบัตทุกกฎนี้คือกองอาบัตห้กองวินีจตวัตถุหในหัวข้อเหล่านั้นวินีจตวัตถุหเป็นไนคือ 1. การเว้นไกลสอการเว้นขาด 3. การงดเว้น 4. เจตนาเครึ่งงดเว้นจากกองอาบัตหา 5. าความไม่ประกอบการไม่ทำการไม่แกล้งต้อง การไม่ละเมิดเวลาการกำจัดด้วยอริยมรรคชื่อเสตุนี้คือวินีตะวัตุ5อย่างอาบัติ7ในหัวข้อเหล่านั้นอาบัติเเป็นชนะคือ 1. อาบัติปราชิก 2. อาบัติสังฆาทิเศษสอาบัติทุนละใจัย4อาบัติปาจิตตี 5. อาบัติปาติเทสนิยะ 6. อาบัติทุกกฎ 7. อาบัติทุกพาสิต นี่คืออาบัติเอย่างกองอาบัติเในหัวข้อเหล่านั้นกองอาบัติ7เป็นชนคือ1กองอาบัติปราชิก2กองอาบัติสังฆาธิเศษสากองอาบัติทูลลจัย4กองอาบัติปาจิตตีห้ากองอาบัติปาติเทสนิยะ6กองอาบัติทุกกฎ7กองอาบัติทุกพาสิทธ์นี่คือกองอาบัติเกอง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 นี้คือความไม่เคารพหกประการความเคารพหกในหัวข้อเหล่านั้นความเคารพหกเป็นไนคือ 1. ความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. ความเคารพในพระธรรมสความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเคารพในศึกษา 5. ความเคารพในอัปมาทะธรรม 6. ความเคารพในปฏิสันฐานนี้คือความเคารพหกประการ วินีจตะวัตุ6ในหัวข้อเหล่านั้นวินีตะวัตุ6เป็นไงนคืหนการเว้นไกล 2. การเว้นขาด 3. การงดเว้น 4. เจตนาเครื่องงดเว้นจากความไม่เคารพ6 5. ความไม่ประกอบการไม่ทำการไม่แกล้งต้องการไม่ละเมิดเวลา 6. การกําจัดด้วยอริยมรรคชื่อเสตุนี้คือวินีตะวัตุ6ประการ วิบัตสีในหัวข้อเหล่านั้นวิบัตสี่เป็นไนคือ 1. ศีลวิบัติออาจารวิบัติ 3. ท, ทิฏฐิวิบัติ 4. อาชีววิบัตนี้คือวิบัติ4อย่างสมุทฐานแห่งอาบัตหในหัวข้อเหล่านั้นสมุทฐานแห่งอาบัตหเป็นไนคือหนึ่งอาบัตเกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต สอาบัตเกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางจิตสอาบัตเกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิตสอาบัตเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 5. อาบัตเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย 6. อาบัตเกิดทางกายวาจากับจิตนี้คือสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานมูลเหตุแห่งวิวาทห ในหัวข้อเหล่านั้นมูลเหตุแห่งวิวาทหประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มกักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มกักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์และไม่ทาศึกขาให้บริบูรณ์ ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์และไม่ทำศีกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแกิชนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแต่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แต่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกแกลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาเช่นนี้ที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อมูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นแล ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป 2. เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณีสี่เป็นผู้โอ้อวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฐิ6เป็นผู้ยึดมั่นทิฐิของตนมีความถถอรัน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 ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายเพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายเพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั่นแหลยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้น ยอมไม่ยืดเยื้อต่อไปมูลเหตุแห่งการโจดหในหัวข้อเหล่านั้นมูลเหตุแห่งการโจดหประการคือภิกษุในธรรมวินัยหนึ่งเป็นผู้มกโกรธผู้กโกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มกโกรธผู้กโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพ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 เพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการโจท์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายเพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการโจดเช่นนี้ที่เป็นบาภายในหรือภายนอกนั้นแลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการโจท์เช่นนี้ภายในหรือภายนอก เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อมูลเหตุแห่งการโจด ท, ที่เป็นบาปนั้นแหละยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการโจด ท, ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการโจดที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป 2. เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณีสี่เป็นผู้โอ้โอวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฐิ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 ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการโจทย์เช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปนั้นแหลทั้งภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการโจทย์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปนั้นแหลไม่ยืดเยื้อต่อไป การละมูลเหตุแห่งการโจร ท, ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการโจร ท, ที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุแห่งการโจรหกประการนี้แลสารานิยธรรมหกประการในหัวข้อเหล่านั้นสารานิยธรรมหกประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตั้งมั่นเมตตากายกรรมในพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง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 เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความส ม, มัครใกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. มีอริยทิฏฐิอันเป็นธรรมเครื่องนําออกเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแก่ผู้ทําตามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้นี้ก็เป็นสารานิยธรรมที่ทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสมัคคีกกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารนิยธรรมหประการนี้แหลสังฆเพศสิปประการในหัวข้อเหล่านั้นเรื่องทาความแตกเล้ากัน18ประการเป็นไนเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมสองแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมสมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัย 4. แสดงวินัยว่าไม่ใช่วินัย 5. แสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ 6. แสดงสิ่งที่พระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ 7. แสดงเจริยวัดที่พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาว่าพระตถาคตได้ทรงประพฤติมา 8. แสดงเจริยวัดที่พระตถาคตได้ทรงประพฤติมาว่าพระตาคตไม่ได้ทรงประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่พระตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 11. แสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติ 12. แสดงอนาบัติว่าเป็นอาบัต 13. แสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตหนัก 14. แสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตเบา 15. แสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือ 16. แสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือ 17. แสดงอาบัตช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ช่วยหยาบ 18. แสดงอาบัตไม่ช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตช่วหยาบ นี่คือเรื่องทำความแตกร้าวกัน18ประการอธิกร4สี่ในหัวข้อเหล่านั้นอธิกร4สี่เป็นฉไนะคือ 1. วิวาธาทิกร 2. อนุวาธาทิกร 3. อาปตาทิกร 4. ์กิจจาทิกรนี้คืออธิกร4สี่อย่างสมมาถะเจ็ในหัวข้อเหล่านั้นสมมถะเจ็ดเป็นฉไนะ คือ 1. สามุขาวินัย 2. สติวินัย 3. อมูลหาวินัย 4. ปติญญาตะการณะ 5. เยผุยสิ ก, กา 6. ตัสปาปิยะสิ ก, กา 7. ตินนวัธารกะนี้คือสมถะเจ็ดอย่างกติปุจชาวาระจบหัวข้อประจำวาระอาบัตกองอาบัต วินีตวัตถุและอาบัตกองอาบัตวินีตวัตถุอีกอย่างละเจ็ดความไม่เคารพความเคารพวินีตวัตถุอีกเจ็ดวิบัตสมุทานแห่งอาบัตมูลแห่งการวิวาทและการโจ์สารานิยธรรมสังคเพทอธิกรณ์และสมัทะเจ็พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วรวมเป็น17จบท ปฏิสมุฐานวาระวาระว่าด้วยสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐานถามด้วยสมุทฐานแหน่งอาบัตข้อที่หนึ่งภิกษุต้องอาบัตปาราชิกหรือตอบไม่ต้องเลยถามต้องอาบัตสังฆาทิเศษหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตถุลใจหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาจิตติหรือตอบ ต้องก็มีถามต้องอาบัตปาติเทศนิยะหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตท <antig ua> <m lakes> ุกกฏหรือตอบต้องก็มีถามต้องทุกภาสิท์หรือตอบไม่ต้องเลยถามด้วยสมุฐานแห่งอาบัตที่สองภิกษุต้องอาบัตปาราชิกหรือตอบไม่ต้องเลยถามต้องอาบัตสังฆาทิเศษหรือ ตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตุละใจหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาจิตตีหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาฏิเทสนยะหรือตอบไม่ต้องเลยถามต้องอาบัตทุกกฎหรือตอบต้องก็มีถามต้องทุกพาสิทธิ์หรือตอบไม่ต้องเลย ถามด้วยสมุทฐานแห่งอาบัติที่สมภิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือตอบไม่ต้องเลยถามต้องอาบัติสังฆาทิเศหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติทุละใจหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติปาจิตตีหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติปารติเทสนิยะหรือตอบ ต้องก็มีถามต้องอาบัตทุกกฎหรือตอบต้องก็มีถามต้องทุกพาสิทธิ์หรือตอบไม่ต้องเลยถามด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตที่4ี่พิสุตต้องอาบัตปราชิกหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตสังฆาทิเศษหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตทุลใจหรือตอบ ต้องก็มีถามต้องอาบาัติปาจิตติหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติปาติเทสนิยะหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติทุกกฎหรือตอบต้องก็มีถามต้องทุกภาสิทธิ์หรือตอบไม่ต้องเลยถามด้วยส ม, มุทฐานในอาบัติที่5้พิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือ ตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตสังฆาทิเศตหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตทุนละใจหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาจิตตีหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาติเทศนียะหรือตอบไม่ต้องเลยถามต้องอาบัตทุกฏหรือตอบต้องก็มี ถามต้องทุกภาสิกรหรือตอบต้องก็มีถามด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตที่6ภิกษุต้องอาบัตปาราชิกหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตสังฆาทิเศสหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตทุลและใจหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาจิตติหรือตอบต้องก็มี ถามต้องอาบัติปาติเทศนิยะหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติทุกกฎหรือตอบต้องก็มีถามต้องทุกภาสิท์หรือตอบไม่ต้องเลยชอาปติสมุธานวาระที่หนึ่งจบ สอกระตาปฏิวาระวาระว่าด้วยต้องอาบัตเท่าไร่ถามด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตข้อที่หนึ่งภิกษุต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตข้อที่หนึ่งภิกษุต้องอาบัตห้อย่างคือหนึ่งภิกษุมีความสําคัญว่าควรสร้างกุดีซึ่งสงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดมีอันตรายไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎ เพราะพยายาม 2. ยังเหลืออิฐอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตถุนละใจ 3. อีกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังฆาทิเศตสีภิกษุมีความสำคัญว่าควรฉันโภชนะในเวลาวิกาลต้องอาบัตปาจิตตี 5. ภิกษุมีความสำคัญว่าควรรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้าน ด้วยมือของตนมาฉันต้องอาบัตปาติเทสนียะด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตข้อที่หนึ่งพิกษุต้องอาบัตห5อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตส4อย่างจะเป็นวิบัตเท่าไรบรรดากองอาบัตร7กองจะเข้ากองอาบัตเท่าไรบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรบรรดาอธิกรณ์สี่อย่าง จะเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจะเป็นวิบัติสองอย่างคือ 1. นศีลลวิบัติ 2. อาจาระวิบัติบรรดากองอาบัต7จกองจัดเข้ากองอาบัตห5กองคือ1กองอาบัตสังฆาทิเศษสอกองอาบัตทุลละใจ3ามกองอาบัตปาจิตตี 4. กองอาบัติปาติเทสนิยะ 5. กองอาบัติทุกกฎบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัติหสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเคยเกิดทางกายไม่เช่เกิดทางวาจาไม่เช่เกิดทางจิตบรรดาอาธิกรนสี่อย่างจะเป็นอาบัตตาธิกอนบรรดาสมถทะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมุทะสามอย่างคือหนึ่งสามุขาวินัย 2. ปฏิ ญ, ญาตกระณะ สมสมุขาวินัยและติ น, นะวัาระกะัถามด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตข้อที่สองภิกษุต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตข้อที่สองภิกษุต้องอาบัตสีอย่างคือ 1. ภิกษุมีความสําคัญว่าควรสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราผู้รับคําสั่งสร้างกุฏิให้ภิกษุนั้นซึ่งสงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาด เป็นพื้นที่มีอันตรายไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัต ท, ทุกกฎเพราะพยายาม 2. ยังเหลืออีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัต ท, ทุนละใจ 3. อีกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศต ส, สีภิกษุมีความสำคัญว่าควรสอนอนุปัมบันให้กล่าวทาแข่งกันเป็นบทบทต้องอาบาัตปาจิตตีด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตข้อที่สอง วิสุต้องอาบัตสีอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจะเป็นวิบัตเท่าไรละถึงบรรดาสมถะ7เจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจะเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัตบรรดากองอาบัตเ7ดกองจดเข้ากองอาบัตสี่กอง คือหนึ่งกองอาบัดสังคาธิเศษสอกองอาบัดทุนละใจสกองอาบตดป่าจิตตีสีกองอาบัดทุกกฏบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัดหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางวาจาไม่เชื่อเกิดทางกายไม่เชื่อเกิดทางจิตบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอาปตาธิกรณ์บรรดาสมถะเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่าง คือ 1. สามุขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกระณะสามสามุขาวินัยและตินณวตารกะถามด้วยสมุฐานแห่งอาบัติข้อที่สามภิกษุต้องอาบัติเท่าไรตอบด้วยสมุฐานแห่งอาบัติข้อที่สามภิกษุต้องอาบัติห้าอย่างคือ 1. ภิกษุมีความสำคัญว่าควรสร้างกุดีซึ่งสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาด มีอันตรายไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ยังเหลืออิจีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตทุนละใจ 3. อีกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังฆาทิเศษสภิกษุมีความสำคัญว่าควรออกปากขอโพชนะอันประณีตมาเพื่อประโยชน์ตนแล้วฉันต้องอาบัตปาจิตตี 5. ภิกษุมีความสาคัญว่าควร ไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการฉันอยู่ต้องอาบัติปาติเทสนิยะด้วยสมุทฐานแห่งอาบัติข้อที่สามภิกษุต้องอาบัติห้าอย่างเหล่านี้ถามอาบัติเหล่านั้นบรรดาวิปัสสีอย่างจะเป็นวิปัสสเท่าไรระงับด้วยสมถทะเท่าไรบรรดาสมถทะเจ็อย่างตอบอาบัติเหล่านั้นบรรดาวิปัสสอย่างจะเป็นวิปัสสสองอย่างคือหนึ่งศีลลวิบัติ 2. อาจารวิบัติบรรดากองอาบัติ7กองจัดเข้ากองอาบัติ5กองคือ 1. กองอาบัติสังฆาทิเศษสองกองอาบัติทุนละใจัยมกองอาบัติปาจิตตีสกองอาบัติปาติเทสนิยะ 5. กองอาบัติทุกกฏบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติ6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต บรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือหนึ่งสามุขาวินยัย 2. ปติญญาตะกรณะสสามุขาวินัยและตินณวถารกะถามด้วยสมุทฐานแห่งอาบัติข้อที่4ภิกษุต้องอาบัติเท่าไรตอบด้วยสมุทฐานแห่งอาบัติข้อที่4ภิกษุต้องอาบัติ6อย่างคือหนึ่ง ภิกษุเสภเมถุนธรรมต้องอาบัติปารชิกสองภิกษุมีความสำคัญว่าไม่ควรสร้างกูดีด้วยการขอเอาเองซึ่งสงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดมีอันตรายไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎเพราะพยายามสามยังเหลืออิฐอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัติทุนละใจสี่อีกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษ 5. ภิกษุมีความสําคัญว่าไม่ควรฉันโภชนะในเวลาวิการต้องอาบัตปาจิตติหกภิกษุมีความสําคัญว่าไม่ควรรับของเคี้วหรือของฉันจากมือภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้านด้วยมือของตนมาฉันต้องอาบัตปาติเทชนิยะด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตข้อที่สภิกษุต้องอาบัตหกอย่างเหล่านี้ถาม อาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจะเป็นวิบัติเท่าไร่บรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจะเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลลวิบัติ 2. อาจาระวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตห6กองคือ1กองอาบัตปราชิก 2. กองอาบัตสังฆาทิเศษ 3. กองอาบัติทุนละใจ 4. กองอาบาัติปาจิตตี 5. ้ากองอาบาัติปาติเทสนิยะ 6. ก, กองอาบัติทุกกฎบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคยเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอาบัตตาธิกรณ์บรรดาสมถฏ7เจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมัฏสามอย่าง คือ 1. สามุขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกระณะ 3. สามุขาวินัยและตินนวัธาระกะถามด้วยสมุทฐานในอาบัติข้อที่5ภิกษุต้องอาบัติเท่าไรตอบด้วยสมุทฐานในอาบัติข้อที่5ภิกษุต้องอาบัติหอย่างคือ 1. นภิกษุมีความปรารถนาชั่วช้าถูกความอยากครอบงำ กล่าว อ, อุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัติปราชิก 2. ภิกษุมีความสําคัญว่าไม่ควรสั่งว่าจงสร้างกุดีให้เราผู้รับคําสั่งสร้างกูดีให้แก่พิกษุนั้นซึ่งสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎเพราะพยายาม 3. ยังเหลืออีกอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จ ต้องอาบาัตทุนละใจ 4. อีกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศต 5. ภิพษุมีความสำคัญว่าไม่ควรสอนอนุปปสมบาลให้กล่าวทำแข่งกันเป็นบทบทต้องอาบัตปาจิตตี 6. กพิกษุไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทำให้เก้อเขินต้องการจะเล่นกล่าวกับอุปสสมบัลชาตกาเนิดต่าด้วยทอยคาบ่งถึงชาตกาเนิดต่า ต้องอาบัตทุกภาสิทธิด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตข้อที่5้พิกษุต้องอาบัตห6อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไรบรรดาสมถะิเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติ2อย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาราวิบัติ บรรดากองอาบัติ7กองจัดเข้ากองอาบัติ6กองคือ 1. กองอาบัติปาราชิก2กองอาบัติสังฆาทิเศษสกองอาบัติทุนละใจ4กองอาบัติปาจิตตี5กองอาบัติทุกกฏ6กองอาบัติทุพภาสิทิบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกาย บรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจะเป็นอาปัตตาธิกรณ์บรรดาสมถะเจอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สามุขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกระณะ 3. สมุขาวินัยและตินนวัธารกะถามด้วยสมุฐานแห่งอาบัติข้อที่6ภิกษุต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบด้วยสมุฐานแห่งอาบัติข้อที่6ภิกษุต้องอาบัติหอย่างคือ 1. ภิกษุชวนกันไปลักทรัพย์ต้องอาบัติปาราชิก 2. ภิกษุมีความสำคัญว่าไม่ควรสร้างกุดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดมีอันตรายไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎเพราะพยายาม 3. ยังเหลืออีกอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัติทุนละใจัย 4. อีกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษ 5. ภิกษุมีความสำคัญว่าไม่ควรออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพื่อประโยชน์กแก่ตนแล้วฉันต้องอาบัตปาจิตติห 6. ภิกษุมีความสำคัญว่าไม่ควรไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการฉันอยู่ต้องอาบัตปาติเทสนิยะด้วยสมุฐานแห่งอาบัตข้อที่6กภิกษุต้องอาบัตห6อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่าง จะเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดากองอาบัติเกองจัดเข้ากองอาบัติเท่าไหร่บรรดาสมุฐานแห่งอาบัติหสมุฐานเกิดด้วยสมุฐานเท่าไหร่บรรดาอธิกร4ี่อย่างจัดเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถฏฐาเจอย่างระงับด้วยสมถฏาเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติ2อย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. ออาจาราวิบัติ บรรดากองอาบัติ7ดกองจัดเข้ากองอาบัติกองคือ1กองอาบัติปราชิก 2. กองอาบัติสังฆาทิเศษส 3. กองอาบัติทุนลใจัย 4. กองอาบัติปาจิตตี 5. กองอาบัติปายติเทสนิยะ 6. กองอาบัติทุกกฎบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติ6สมุฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต บันดาอันธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบันดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สามุขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. สามุขาวินัยและตินนวัฐาระกระกตาปฏิวาระแห่งสมุทฐานวาระแห่งอาบัตร6ที่สองจบ